นักโมตถะปัตตวัตุอรหัตุสัมมาสัมปุทตะนั u โมตถะปัตตวัตุอรหัตุสัมมาสัมปุทตะนัโมตถะปัตตวัตุอรหัตสัมมาสัมปุทตะ นะโมตัสสะโมทัตวาโะอะระหโอมอุระนะโมตัสสะโมทัตวาโอะอะระหัโมะุตตะะสงเจังกัจาิรังังกัจจิรังกัจาิธรรมรังกัจจามิสังขังรังัจาิ สังขัรณจามิทุกียมปีพุทธังทรณจามิทุียมปีพังเทเรณังขจามิทุียมปีธรมทรณจามิทุียปมทรณงขจามิทุกียมปสังรณจามิทุียมปสังขรณจามิ ตัศียมพีพุทธัง r ทระังขจามิตัศียมพีพุทธังเระนังข k ามิตัศีมพีธรรมังเระังขจามิตัศีมพีธรรมังเทระนังขจามิตัศีมพีสังขังเรังขามิตมสังังรนังขามิะกมนังยิตัง นาจิปตาเวรัมณีสิกขาปทังสมาจียามินาจิปตาเวรัมณีสิกขาปทังสมาจียามิอคินาธานาเวรัมณีสิกขาปทังสมายามิ อาหินาลาเวรามนีสิกขาปัทถงสมาธียมิกรรมสุนิตาจาราวรัมณีสิกขาปะทถงสมาธียามิกรรมสุิตาจาราวรมณีสิกขาปัทถงสมาธียามิมุจาวาทาเวรามนีสิกขาปทถงสมากียามิ มูราวาเาสาทรารมาเวมีิปทังสมาทิยามิสุรามีระยะมัจปมาปทัาาิระมัมานาวรมีสิคาปะทังสมาทิยามิสุรามีระยะมัจจปมมาเวรมีิปทัาาิระัมาีิาปทังสมาทิยามิอิมานิปัญจั ข้าพธานิทีเรณุสุขจริงยันติสีเรณุภพอกรรมพธาสีเรณุนิพุจริงยันติตัตมาสีรังสูทัีอะไรงั res, ้นตัวนี ouais. ้เออ เออให้ให้ให้พูดี่อาจเกใบนี้เอาไปฟังเนี่ยเอาเอาเนี่ยเอามามาสมั่นากันค่ะมีอัวท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ในแพทย์มังคงแครมณีเป็นรองอธิการบดีที่จุฬา คนนี้่ะอา็มันเป็นม อ, อยู่หน้าวิทยากรที่จะมาให้การอบรมที่วิทยาลัยครูมีอาจารย์วิทยาลั ย, รยครูแล้วก็ครูอาจารย์จากโรงเรียนในอุบล น, นี้หลายโรงเรียนนะแล้วก็คณะของวิทยาก ร, รก็มีอบบาจารย์เพียงใจค่ะ อาจารย์องนามัยเคยมาที่ไหนขอหนังสือท่าไม่ได้ไปได้ที่การรไฟแก่อาจารย์ผู้สูงอายุแม่กองอนามัยน่าจะมาทาบุญเกี่ยวกับนังสือที่จะแปลภาษาต่างประเทศอาจารย์สมศรีอยู่คอนเสตกกองอนามัยเหอกันแล้วก็อาจารย์ทาขึ้มาจากกองอนามัยที่มาจากกรุงเทพกัน ส่วนที่เหลือนอกนั้นคุมบลหมดค่ะมีแถบนี้ลาลโคก็มีอาจารย์ธงรองอธิการนำะ บ, บวนมาค่ะนอกจากใคยมาแลยก็นับตัวมาทุกคนจะเป็นประจํานะ อยากจะขออนุญาตหลวงพ่อไ่ายรูปกไปบูชาพัดรูปได้ใช่ไหมคะได้แต่มันไม่ค่อยสนิทต่อเขาทาไปบูชามันดีกว่าทำไปบันเทิใช่เอาไปด้วยกันทั้งสองท่านอนุาตะยิ้มด้วย คุณคุลเท่ไปก็เห็นด้เท่้าถ้าลาวโ้าคนนั้น้าลาว่าฮ่าาฮาฮ่า่า่าามันยิ้มไม่เป็นมันหมดฝังมันเลยตาเอาละฝังหมดฟ้ามันแหละ พูดหยิ่นแล้ว้้บย่นั้ไสบายร่างกายสบายมันโอนไปโอนมาโอนไปโอนมา ม, มีหมอมมีหมอ ม, มามันเป็นอย่างนั้นแหล ะ, และมันเข้าเกษียณแล้วมือถูกเข้าเกษียณแล้วมันเปนอย่นันแหละอายุหกสิบปวแล้วมันกเกษียณแล้วอันนี้ทุกวันนี้ทา ง, งานนอกคิวเพราะเขาขอเจตนาต่างๆตึงกัน อ า, อาจจะนิดเดียวเยอะมา ก, มากอาจจะนิดก็เลเล่าเรืออะไรี่หลวงพ่ออาจจะมาเคย <c oughs> เคยพอดนัศกศึกษาแรืข้าราชการมาฟังคำมาพูดอะไรกันอยแล้วขอฟังคำสักนี้ <c oughs> <c oughs> อาจจะมาเห็นว่าธรรมะมันหมดราคาเลยมันมนิดเดียวเท่านกิน้าเม็ดเดียวอีกไม่พอไ อะไรก็สนิกสน้นนี่และหไายอย่าง อ, อันนี้เสี่งมันคอยบังมันพอรีบรีบไปกว่ารีบมารีบมาตัวรีบไปเพราะนั้นมันถึงเนเรื่องนิดเดียวเว <c oughs> ลาจะหาว่าเวลาไม่พอเวลามันเหลือเยอะคนอันหนึ่เวลาไม่พอเวลามันมากก็คือแบบ แต่คนนี้ก็ออกไปตามวิลาปันเด็นว่าเวลามันไม่ขอเหมือนกับพระจะมาน่ะจะมาบวชได้ลาสุดท่านจะสึกจะทำไมอุ้ยผมหมดความเพียรแล้วครับแหมท่านเก่งเนาะผมบวชมาหลายพรรษาแล้วยังไม่หมดเลยความเพียรท่านจะทำยั่ไงมันหมดเร็วไอนี่ <S <S 2> <S 2> มาทำประเดียวเปล่าสามเดือนหมดแล้วขอเปียนเนี่ยมาที่หลังเรานี่แหละทำไมเป็ยัยยงไไม่รู้สั่งใจฟังก์อืมอสั่งก็จะพูดอะไรสั่งสงนิทยมอย่าเนีของสงนิทเดียวก็ฟังสงนิทเลยมมเาวันนี้เป็น โชคดีเป็นวงคนดีอย่างนึงที่ท่านคูมีเกียรติทั้งหลายที่ได้น้อมมานำัญการถึงวัดวันนี้ในปัง้งต่างมีผู้มาเตือนว่าจะมาวันนี้อาจจะมาคอีรับรอคอยอยู่พอดีมาถึงเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่มีอะไร ม, มากมาย ไปกว่าสร้างความดีของเราั้นนั้น <c oughs> ของสีดีวันนี้ก็คือท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขอแล้วก็ให้ไปแล้วเรี่อวของการขอสิน่ยอันนั้นเป็นของดีที่สุดแต่แล้วก็ไม่มีใครจะสนใจเท่าไรรวยมากจะไปสนใจก็สิ่งที่ไม่เคมีราคาเท่าไหร่สิงที่มีราคาเหมือนสินอย่างนี้ไม่ไปมีใครสนใจ เพราะที่นี้มันไม่เป็นลูกมันไม่เป็นล่ามันเป็นนามธรรมาทํ <c oughs> าแล้วไปอย่างนั้นไม่ทําแล้วไปอย่างนั้นอืมก็เลยไม่เข้าฟังดิ้กจิตใจพวกเราทั้งหลายในความเป็นจริงเราทั้งหลายนั้น่ะจะมีความสามสัคคีพร้อมเพียงกันทุกอย่างทั้งฝ่ายคารวะทั้งฝ่ายพระก็คือความสุจริตที่สัต ทำงานตรงต่อหน้าที่ของการทุกคนนี้ก็กเกี่ยเวเกี่ยวเท่กวสิ่งเป็นพื้นเราทุกคนมันพบสิ่งที่เราไม่เคยพบเช่นพ่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนี่เคยเป็นนักเรียนมาทุกคน <c oughs> เป็นครูโรงเรียนเป็นครูสอนคนคนนึงอยากจะเป็นครูนั่นแหล ว่าเป็นคนน้อยนีมันลาบากเกาะคนอื่นเขาเขาทิ้งที่ไหนก็ได้อย่างนี้ก็พยายามอยากจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะเสมอมาจนกระทั่งถึงทวันววนี้ที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นครูคนแล้วเนืะบัดนี้มันถูกเขากนะเขากาะเรานาะเขาเกาะเราคนหนักในประเด็นเหมือนกันนะแต่ก่อนเราไปเกาะเขาคนนึงมันสบายเหมือนกันนะไปเกาะคนอื่นรับ มานนี่มาโตมาแล้วภาระอันนั้นมันหมดไปถูกเด็กมันเกากเราจริหนัก ห, กหมเดี๋ยวฉันหยักได้อันนั้นฉันหยักทำมันนีอ้อะไรที่ของมันยุ่งยุ่งเอามันทิ้งให้เราทั้งนั้นอ่ะอาจมาตุเหมือ น, มมนกันอยู่นี่เห็นว่าประพฤติปฏิบัติดีอยากโยมทั้งหนก็คอยจะเอารูร้านมาฝากจะคนเจริทั้งนั้น ไอ้คนที่เรียบร้อยมันไปเอามาฝากวะไอ้ที่ง้อกับทิ่มันจยางนั้นตนันึงว่เอามาคว้ า, ขวาขงของในว่าตัวนึงว่ามันจะดีนะไอ้ความคิดผิดไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาผ่านวัดแดีวมันดีขึ้นเหมือนดมไม้มันเย็นเราผ่านไปมันเย็ น, นจะส่องมาปฏิบัติมันถึงจะดีขึ้นอืม เมื่อเข้ามาบวชในพรรษาเดือนสองเดือนคือทุรนทุรายอยากจะทําจิตให้สงบเพราะเขมีปุโรหิตสงบอยากจะทําจิตสงบ ก, ก็อยากจะทําอย่างนี้ให้มันสงบแบบนี้ถามเรียนบ่อยๆวนะพ่อจะทํายัางไงจะทำสมาธินี่ให้มันให้มันเร็วที่สุดให้มันสงบเร็วที่สุดเยจะทํ า, างไงอาจามาก็ได้ยวก็ทําที่มันเร็วที่สุดนั่นคือไม่ต้องทำนั่นแหะนี้ ใจมัน็วที่สุดนะห <c oughs> ารู้ไม่ว่าเราเกิดมากี่ปีแล้วเราเราได้อบรงจิตให้มันหยุดหยับหยั่งไหมไม่เคยอะไรมันสนุกสนานที่ไหนก็ไปที่นั่นปล่อยให้มันเต็มเต็มที่มัน <c oughs> เมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วอยากทำสมาธิเดี๋ยวนี้ให้มันสมบูรณ์เียวนี้เร็วที่สุดเนะี่ยอันนี้คือปัญหาที่บอกหน้าเรามันทําเร็วที่สุดยังนั่นไม่ได้ไมันต้องค่อยๆไป ดูการดูเวลาพอมันพอสมควรปัญหาคือความอยากนี่แหละเรื่องพอมันเกิดขึ้นนี่แหละถ้าปัญหามันเบามันบรรเทาลงไปเรื่องพอไปค่อยพ้นขึ้นมาพ้นขึ้นมาจังพ้นก็จังพอพอหมาพอสมพอสมควรรู้จักประมาณแลรงตัวพ อ, พ อ, อสบายขึ้นมาอย่างนั้นไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลามันก็ลาบากอื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 มีการนั่งสมาธิมีการประพุติปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นเป็นมทำให้เรามีกำลังกายกำลังต้องออกกำลังกายเรียลแรงเพื่อนไว้อวัยวะกำลังกายมันมีกำลังจิตนั้นบางคนนี่ก็จะนั่งคิดให้มันมากๆ ม, มันยิ่งไปกันใหญ่เลย อ, อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจะให้มีความสงบแค่ก่อนนีอ่อันนี้เราผ่านพ้นมาตลอดตัววันนี้ก็เรียกว่าดีก็ไม่ทำ เราพยายามทำจิตให้สงบดีกว่าเราไม่ทำดีกว่าถึงมันไม่ไม่ได้สงบมานั่งเป็นสมาธิทำข่าสมาธิขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าคนที่ไม่ทำดีกว่าคนที่ไม่ทำเรียกประเน็นว่าเราหิวข้าววันนี้นมีแต่ข้าวไม่มีอาหารก็น้อยใจ อ, อตาตมาบมันดีกว่าไม่มีข้าว กินข้าวเปล่าๆนะดีกว่าไม่ได้กินใช่ไหมมีข้าวเปล่าก็กินดีวกว่าเถอะดีกว่าเม่ได้กินอย่างนีอ้อันนี้คือมันกันแข่งนั้นเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นีดหน่อยก็ยังดีอยูอ่แล้วเป็นธรรมดาต้องมัน <c oughs> เรื่องที่หากว่าเราไม่รู้จักประมาณก็คือความอยากนะมันเป็นสิ่งสิ่สําคัญอยากที่มันไม่ดีหรือ อยากเองมันก็ดีอืมแต่อยากให้มันพออันอยากได้พอมันเป็นปัญหาอย่างผู้มีเกียดติทางไหนามาวันนี้ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ไม่ได้มาวันนี้ใช่ไหมนี่คือความอยากเป็นสี่ความอยากให้มาพบกันวันนี้ได้ฟังธรรมวันนี้ก็เพาะความอยากไอ้ความอยากนั่นคือกายเป็นบารมีของเราที่เราได้มาพบวันนี้อย่างนี้มาถึงแล้วก็ทิ้งความอยากจ้ะ ไอ้ความอยากมันไปส่งถึงที่เราเลยเศึกษาวันนี้ก็เพราะความอยากเป็นเหตุอีกอันหนึ่งท่านหมายอยาไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็จริงถ้าเราไม่ยึดมันจะเห็นเนยตรงนี้แต่อย่างไรมั่นอย่างเชื่อมันจงานจับมาดูต้อยึดมั่นจับรู้ว่าแก่เราระวังถ้าไว้อย่างเก่ามันจันเรียกว่ายึดอยาใหญ่มั่นจับยึดใหญ่มั่นมันเป็นตัวพบพบมีแล้วคาดเดาขึ้นมา คนทุกข์เกิดขึ้นมาต่อตายไปตลอดเวลาเรื่องไอ้ที่จะไม่มีทุกข์นั้นมันไม่มีครับเรื่อนทุกข์จะไม่เกิดนะถ้าคนเราไม่มีปัญญามันมีทุกข์ตลอดทํางานนี่เนี่ยเรื่องอยนอนดีกว่าสบายดีนอนสบายนะไหมใครจะนอนไหมนอนกระทั่งวันไม่พริกเนีย่ยนอนไหมนอนไปแล้วนัลุกนั่งสบายกว่านั่งงั้นสบายไหมเอานั่งสิอย่าไปยืนนะมันจะได้ยีชั่วโมงนสบายแลย้ว อยืนดีกว่าเอยืนดูที่มัาสบายไหมสบายพักเดือนเดินดีกว่าเดินสบายไหมก็เดินเป็นมันไม่สบายทักอย่างนะทุกอย่างมันไม่สบายไม่มีจากประมาณของมันธรรมะนี่กฎมันต่างนั้นถึงแม้จะรู้จะเรียนไปสักขนาดไม่ติดตามมันเถอะถ้าเราทําให้พอดีแล้วมันไม่เกิดธรรมะได้เกิดสิ่งที่พอใจของเราอืมอ่าอ่า มันถึงจุดที่มันพอดีเลยนะมันจึงเป็นธรรมะอันแท้จริงแต่หาความพอดีมันยากอืมันยากเลยแต่มันพอดีทําไมเพราะการหามันเหนื่หลังก่อนเนี่ถึงในทานอาหารอร่อยคือมันคันเนี่ยมันคันนิดๆข้างในมันจะจิดเอาอยู่ได้รึเเอาอยู่ก็รสเลยนะอร่อยกินไปกินไปโน่นกินจนเต็มที่ตอนยินมาพ่อมอยู่ แม่มันเป็นเพราะอาหารนั่นมันเป็นเพราะเมานั้นแล้วเพราะเราทำไมถึงว่ากันล่ะเพราะเราไม่รู้จัประมาณนะมันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้ก็ว <meeting water> ่าจะทนอกเน่ยไม่กี้มันติดตัวของเราสักทีมันก็วิจิจรเท่านั้นแหลอืมไอ้ของมันตกตรงไปหาสิ่งที่มันไม่ตกตรงนั้นมันจะเห็นเมื่อไหร่ล่ะคือขี้ในถูกขี่ของมันไปให้โทษอาหารอาหารนั่นจะเป็นอะไรเรามันไม่ดูจัประมาณภาษาของเราน่ะ มันก็อุท้องแต่ไม่ได้ที่ไม่เป็นเรื่องทองอย่างนี้อันนี้ก็มันทันชั้นนั่นถ้าเราเห็นโทษมันอย่างนี้เห็นโทษมันชัดเมื่อไรนะตื๊ดด้าามัน้ามันท้องมันอุดสักคืนหนึ่งกับวันหลังเยไปพบอาหารถริงนั่นเายุดได้เลยเถอะนจะเรนงานอยู่บ้างนี่กมืตันิดหนึ่นะระวังด้วยคนที่นี่พอเ่ยพอมันเรียนงานเนี่ยนี่จะว่า เรารู้จักโทษของมันแล้วเมื่อทีนี้พกที่หลังเรารู้จักอันนี้มันเป็นโทษเห็นโทษมันชัดเจนเราจะไม่เอาเป็นที่เราละทิ้งทั้งหลายตอนนั้นไปได้ถ้าเราเห็นโทษถ้าเราไม่เห็นโทษมันละไม่ได้หรอกทุกอย่างเมือนกันเมื่อเห็นโทษทุกประโยชน์เห็นพร้อมกันเลยมีเหตุมีผลเึ็นพร้อมกันเลยถ้าเราเห็นโทษมันอเห็นลนได้ก็ประโยชน์ที่การกระทําทอย่างนั้นมันประคอมกันเป็นมา แต่คนไม่รู้จักก็เรี่อมันปฏิบัติยากมันทํายากทําดีมันยากได้พูดตามๆกันมานะถ้ า, าจะมาจะพูดอีกองหนึ่งว่าทาชั่วมันยากเป็นไงนะเนี่ยนีทุกอย่างก็เพราะคนนั่นเองแนะ่ะเมื่อเราชอบทําดีมันจะทําดีเป็ น, น, น, นมันง่ายอเมื่อคนใจบาปเมื่อคนใจบาปจิตบาปทําบุญยากทําความดียาก เมื่อคนใจบุญจิตเป็นบุญทำคนดีมันก็ง่ายมันง่ายคนลนอย่างอย่างนี้แรกแต่หากว่าเราไปจิตยอยู่ข้างไหนมันก็ชอบข้างนั้นเนีเรานี่ก็ไมนตันฉันนั้นฉะนั้นเราทุกคนนี่ปรารถนาความสบายปรารถนาความสงบไอ้ความสบายความสงบนั้นน่นนะมันอยู่ที่เราอย่าไปหาจิตอยู่ใมันมา่า อาตมาไปยังตำหนิพระเนรจะมาอยู่เอาปัญหาเนี้ยไปทุรงไปหาตรงนี้เองทงอาตมาเรียกว่าไปทะลุรงจิตตรงนี้ตัวไม่อยู่ทะลุไปเรื่อยๆไปยื้อไปทุกดงนะทะลุตรงเดี๋ก็ไปทุกดงด้วยกลับมาแล้วไปสัง่งไปหาความสมบุบนี่ก่าในตรงนั้นความสนุงบในตรงนั้น เพาะว่าถ้ำแมมันเย็นดีมันสงบดีตรงนี้ห่ายความสงบที่ตรงนั้นเมื่อไปถึงตรงนั้นไปเย็นถ้ำกกลัวจะแล้วถามโยมโยมมีพระจำพรรษาไหมเนี่ยมีครับเป็นไงไหมเนี่ยมีจะเรียกมันจะตายสามโมงครับโอ้ยลงแล้วนี่มันเป็นอะไอย่างนี้คนเรามันมัน้วิชาที่สงบมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องของเรานี่ยเนี่ยถ้าหากว่าเราไปโวยวายอยู่ที่สงัดนี่จะสงบได้เมื่อไร มันไม่สงบแล้วมันความสงบวิธีเราอาตมาก็เคยพบแล้วไี่ไปหาหาความสงบเนี่ยไปหาตรงไหนความสงบเนี่ยอยู่ทุ่งเนีอยอยู่ภูเขาหรืออยู่ป่าไอ้ยู่ที่ไหนไหมถ้าเราดูจากความสงบเรื่องไปตามสนนมันก็สงบนั่งอยู่มันก็สงบอยู่ที่ไหนมันก็สงบถ้าเรารู้จักความสงบแล้วถ้าเราไม่รู้จักความสงบเลาบวยวายถึงนั้นเนี่ย ให้โทษแต่นู่นให้โทษแต่นู้นไอตัวที่ทําเข็นเองนี่ไม่เคยพูดถึงทุทีเลยเป็นเดียรเนี่ยอย่างไปบอกแต่อันนั้นมันเป็นเพราะนั้นมันเป็นเพราะนีนเป็นเพราะคนคนนั้นมันเป็นเพราะคนคนค น, ค น, นี้ยิ่งกรุงใหญ่ๆอย่างนี้ประําบากนะมันร้ายจิตร้รายใจต่างคนโดยสั่งคิดนะอย่งนี้จะขึ้นลดมาคกกือลำบากเนี่ยคนนั้นอยากจะเอาอันนี้เดี๋ยวคนนั้นหยุดสงนั้นเดี๋ยวคนนี้ลืมมันเลยวุ่นตลอดเวลาเลยนะนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉะนั้นเรา ตกฟวงมาเราจะเป็นคนที่แก้ปัญหาทุกวันนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสิงทีมันเกิดขึ้นมาปัจจุบันทุกๆวันปัญหาปัญหาสิงทีมันเกิดขึ้นมานั่นแหละถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้ทุกอย่างไหถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ทุกถ้าแก้ปัญหาได้เราเบาใจสบายไม่รู้ว่าความสบายนั้นมาจากไหนเส่ไม่เพราะแก้ปัญหาได้มันสบาย แต่ความควาสบายมันจะอยู่ตรงไหนกันไม่รู้มองเห็นมันไหมมันอยู่ที่แก้ปัญหาไม่จบพอแก้ปัญหาจบพุ่งขึ้นมาสบายเป็นอย่างนั้นไม่รู้มันวิ่งมาจัดไหนไอ้พรจริงจริงมันอยู่ตรงนี้เองมันไม่ไปที่ไหนหรอกเมื่อมีความเห็นผิดเมื่อไรกระทุกเกิดขึ้นมาเมื่อมีความเห็นถูกเมื่อไรเป็นตัวเมืองความปนเปื้อนเกิดขึ้มาเท่านั้นมีเท่านั้นเราซึ่งเป็นผู้ปกครองคน เป็นบุคคลที่เรียกว่านำประชาชนนําคนที่หลังนะ่ะให้เดินตามรอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั่นให้นึกนึกคนว่าเราจะทํำยังไงนะ่ยนี่ม่บอกจะบอกแค่นั้นนะแล้วจะทํำยังไงนะอาจจะมาเห็นเด็ก น, ะนักเรียนนะ่ะโรงเรียนนี่ไงไอ้ครูเขาเคยมาทําสมาธิเคยรับธรรมะไปแล้วพอครูไปสอนแล้วอ่ะไปสอนน่ะเด็กออื อย่าไปเล่นเจเรนะอย่าไปกินเหล้านะกินเหล้ามันไม่ดีเด็กนักเรียนมันพูดครูครับอ่าเหาไป่ดีทำไมครูคนนึงจินเหล้าเกินเหล้านี่คนที่ถามเด็กเลยจะไม่รู้ที่ไหนเลยแกเด็กไปได้ปัญหามันจิบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันพูดไม่ได้มันอยู่ตรงนี้ยถ้าไม่สะอาดตรงนี้พูดไม่ได้เป็นครูคนผมว่ากัน ถ้ามีอะไรสงสัยอยู่เดี๋มีเรื่องท่องเราพูดตรงนี้มันจะเข้าตัวไม่พูดตรงนั้นมันจอดเป็นอย่างนี้อืมธรรมะเราไม่มีอะไรจะพูดจระสานเลยสบายไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้เราไม่กล้าจะพูดเราทอดๆแยแยไปมัไม่เป็นบากรับนี่มันชอบเป็นอย่างนี้อันนี้มันเดืองกิเลสวิทวายีกทีเนาะกิเลสมันเป็นอย่างงไนอาตมาก็เคยเป็นอย่างไงในการถึงจะพูดได้นะอืทุกคนพระพุทธเจ้าเคยเป็นมาเจริญโภตมันแล้ว เรื่องความรู้สึกอย่างนั้นมันวางมันจะอันนี้เป็นเหตุนในทุกมันเกิดไม่ดีแค่นั้นท่านจึงเป็นนายาหลวงสังไรเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหนึ่งก็มันก็พูทญาติกันนะเหมือนดินเหมือนนา้าท่านทำฉีดคนท่า น, า น, านแต่ก่อนก็ยังเหมือ น, นเอ็นดินกับปลาโกรด ม, มันเป็นอย่างนั้นใครจะไปเยี่ยวใส่กระช่งมันเถอะไปก่อไฟใส่กระช่างมันเถอะนันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น ท่านวางจิตถึงข น, นาดนั้นเอานั่นเป็นตัวอย่างเหมือนปจัจพีที่เดินไปมาน่ะเขาจะทํายังไงไปชั่งมันก็ อ, อย่างนี้มีหรือความอดทนอุตสาหพยายามอันนั้นท่านเป็นนายคนท่านต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นท่านจึงมีพระอริยาาสาวกตามมาตลอดปัจจุบันนี้ถึงปุณณบุตรปุณณบิดาทั้งหลายถึงแม้ไม่มากคนก็ยังมีอยู่คําสอนของท่านก็อ ย, อยังค้นอยู่ตรงอยู่ทุกคนแต่มันไม่ตรงแต่คนที่จิตไม่ตรงเท่านั้นแหละ หิดเม็ต้ม อ, อย่างก็ปูเสือมันเนี่ยสัมปูไปโน่นก็ได้นู่นอย่มาปูใครร้าบางทีเทศไปมันไม่สบายบางคนนะ บางคนชอบกินรอบมันตรองนั่งคอขอเป็นเงินดีกว่าทีไหนที่จะไรูปไปง่ายมาหนีมานั่งกลางๆไมอยากจะมาแล้วให้นั่งนอกๆเปนเงี้ยดีจะมาปูไปเถอดทั้งนันปูได้ไหนเหมือนปอันนี้ไม่ได้ว่าใครลองว่าไปตามเรื่องมันนะเมื่อเยี่ยมมาจะมาก็สอนนั่นะอันนี้เอาไปเป็นตัวอย่างให้พิจารณาเอาที่ว่ามานี้อย่าไปเชื่ออย่าไปไม่เชื่อให้เอาไปพิจารณานะถ้าเป็นประโยชน์จะกระทำ ถ้าม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวก็ปล่อยมันส็ได้ไม่มีอะไรอัตมาก็ไม่เสียหายอะไรคือพูดความจริงให้ฟังทุกคนเป็นอย่างนั้นวัน น, น, นี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นนิดหน่อยนะพอเวลามันจะน้อยไปนะวันนี้ในปฏิสัทธิ์ฐานด้วยคำมัธเล็กๆน้อยๆเพราะเวลาของโยมไม่มากเวลามันน้อยมีมนเทศโดยเทศนิดหน่อยอัตมาจะเทศมากมันก็ไม่ได้มันจะขัดโยมจ้ะ ตอนนี้ผมคงจะพอมีเท่านั้นในวันนี้ผมคิกว่ามีโชคดีที่จะพูดในวันนี้เนี่ยขอโอกาสทุกๆท่านยนะ่งนะนับว่าเป็นผู้ศึกษาทุกคนนะศึกษาทุกคนอไอ้การศึกษานี่มันก็มีมาอยู่อย่างนี้นะออย่าไปเข้าใจว่าการศึกษานั่นมันให้ให้เราดีอย่าไปว่าอย่างนั้นอันเดียวนะจะต้องปฏิบัติไอ้สิ่งที่เราศึกษามา น, นั่นให้ถูกต้องมันถึงจะดี อการปฏิบัติน่ะดีอืที่การในปฏิบัติเนี่ยหรือมันกันที่มันมันจะปฏิยาเอกมันไปชั่งมันเถอะดีัรงนั้นแต่ว่ามันข้าวมันข้าวหลอกมารีเท่านั้นข้าวกันประตองเท่านั้นมันอ่อนมันนิ่มเอามาใส่กระดิบมัน่างไวกันข้างนะไม่เคยไปหยิบมาใส่ปากสวกผีเลยมันก็ไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นอะไรกันนะ